ในข้อ16บหเนี่ยนะนะข้อสิบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ว่าในเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่คันของพระมารดาพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมไม่เกิดความคิดด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะนะไม่เคยมีความคิดที่จะต้องอไปเกี่ยวข้องกับชายผู้ชายเลยแบบนั้นเลย มารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมเป็นหญิงที่บุรุษใดๆซึ่งมีจิตกําหนัดแล้วจะล่วงเกินไม่ได้ก็แปลว่าไม่มีใครด้วยอกุโสลจิตคิดไปล่วงเกินพระนางได้พระนางเองก็จิตไม่คิดจะล่วงชายใดๆทั้งนั้นโดยที่สุดแม้แต่สามีของตนและสามีของตนเป็นต้นก็ไม่สามารถที่จะมาล่วงเกินพระนางได้อันนี้ด้วยอนุภาพของพระโพธิสัตว์และก็เรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาด้วย บทว่าปุริเสสุบอกว่าจิตประสงค์ในบุรุษในมนุษย์รายเริ่มต้นด้วยพระบิดาพระโพธิสัตว์เป็นต้นย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นพระมารดานั้นไม่มีจิตคิดอาส์ธรรมกับผู้ชายใดๆทั้งนั้นโดยที่สุดแม้แต่สามีของตนเหนั้นหรือขนาดคนที่นะมีศิลปะถึงจะฉลาดก็ไม่สามารถจะวาดรูปพระมารดาพระโพธิสัตว์ลงในบัละใบลานเป็นต้นได้ จิตกรไม่สามารถแต่งภาพได้เพราะใครๆไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าเพราะเห็นรูปราคะจึงเกิดย่อมไม่เกิดแก่บุรุษถึงขนาดว่าบุรุษมีจิตกาหนัดประสงค์จะเข้าไปหามารดาพระโพธิสัตว์เท้าก็ไม่พาไปเพราะฉะนั้นก็เหมือนอะไรเหมือนถูกโซ่ถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยโซ่ทิพย์เนี่ยนะยกเทาไม่ขึ้นว่าถ้าจิตเป็นอกุศลคิดเป็นอื่นเนี่ยนะไม่ได้ต้องถ้าจิตเป็นบาปเข้าไปไม่ได้ บทว่าปัญจนังกามัขูนังเป็นต้นนะอันนี้ต่อไปข้อ17เจดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระโพธิสัตย์ย่อมได้รูปสวยๆนะรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่น่าปรารถนาทั้งหลาย พระนางนั้นเพียบพร้อมไปด้วยเบญจากามกุลเพียบพร้อมไปด้วยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ดีบำเรออยู่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอัน น, นคือหมายคําว่ามารดาพระโพธิสัตว์นั้นบริบูรณ์ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพทั้งหลายดังที่กล่าวว่านับตั้งแต่พระราชาพราะองค์นั้น พระราชาไม่เฉพาะแต่พระเจ้าสุโธธนะเป็นต้นนะที่เป็นพุทธบิดาที่คอยดูแลเท่านั้นพระราชาเมืองอื่นๆโดยโรอบได้ข่าวว่าพระโอรสเห็นตา น, นี้อุบัติในพระคันของพระเทวีคือการที่พระเทวีมีคันเ น, นรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเมืองอื่นๆอีกร้อยเมืองด้วยกันนั้นกษัตริย์เหล่านั้นก็จะส่งบรรณาการอันเป็นที่ตั้งแห่งความยิน ด, ดีในทวารห้า เรียว่ามีรูปสวยมีเสียงเพราะมีรัตนะแก้วแว่นเ ง, งินทองก็จะส่งมาเป็นบรรณาการนะส่งแก้วแว่นเ ง, งินทองมาเป็นบรรณาการมีเครื่องดนตรีพิเศษพิเศษเหล่าใดก็จะคอยสอย่งมาเนี่ยนะท่านมารดาพระโพธิสัตว์จึงได้รับแต่อารมณ์ที่หน้าปรารถนาะเห็นแต่รูปที่หน้าปรารถนาะอย่างเดียวฟังก็ฟังแต่เสียงที่หน้าปราถนาะรู้กลิ่นก็รู้เฉพาะกลิ่นที่หน้าปรารถนาะรู้รสนะรอบกระทบสัมผัสทุกอย่างล้วนแต่หน้าปรารถนาะ เพราะอะไรเพราะสั่งสมบุญไว้ดีแล้วเนี่ยนะคือให้ทานเนี่ยนะทานที่ควรให้ไม่มีอะไรที่ไม่เคยให้มาเนื่องจากว่าให้ทานมาเป็นอย่างดีมันปริมาณแห่งลาบสการะนั้นจึงไม่มีประมาณแก่พระโพธิสัตว์ไม่มีประมาณแก่มาดาของพระโพธิสัตว์เพราะทำบุญไว้มากเนี่ยนะ อย่างว่าคนมีบุญเนี่ยพอมาเกิดนี่ก็ร่ำรวยเลยทันทีถ้าคนไม่มีบุญมาเกิดเนี่ยนะโอ้ยแม่ปกติรวยเนี่ยนะล้มละลายทันทีเลยเพราะลูกเกิดมาเนี่ยนะมันมันมันเกี่ยวข้องกันบางคนก็บอกเอะกรรมของพ่อกรรมของลูกกรรมของแม่กรรมของลูกมันเกี่ยวกันด้วยหรือมาคิดง่ายๆอีกคนหนึ่งป่วยอีกคนที่เหลือมีความสุขหมดเลยใช่ไหมไม่มเครียดกันทั้งบ้านนั่นแหลนะนั้นอีกคนหนึ่งมีปัญหามันจะเดือดร้อนไปอีกหลายๆคนเนี่ยนะ ถ้าอีกคนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งก็ได้รับความสบายใจตามไปด้วยเพราะฉะั้นบุญบาปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องการเกี่ยวข้องกันไออย่างสมมุติถ้ามีใครมาเมาเอะอะอารวาดอยู่ตรงนี้ อ, อ่อของพวกเราจะนั่งฟังธรรมอย่างมีความสุขเลยไหมบอกยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกันนะบาปก็เกี่ยวข้องกันบุญก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันได้แต่ม า, มาคำว่าเรียกอะไรนะกลิ่นอายหรือไออุ่นแห่งบาปเนี่ยหรือว่ากลิ่นออุ่นแห่งบุญเนี่ยมันก็สามารถที่จะ เกี่ยวข้องกันได้สัมผัสกันได้นะนะงนั้นถ้าคนมีบุญมาเกิดก็ปล่อยให้คนอื่นสบายไปด้วยไอ้คนหมดบุญมาเกิดคนอื่นเดือดร้อนหมดเลยนะนะก็อยู่มันมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆถ้าสังเกตดูชีวิตเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็แล้วแต่ว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลเช่นใดเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับผู้มีบุญก็สบายเกี่ยวข้อง ก, กับคนมีหมดบุญก็โอหอันตรายนะ น, นะก็อันตรายก็มีอยู่เท่านี้แหละ พันพระโพธิสัตว์เนี่ยและตัวมารดาพระโพธิสัตว์เองเนี่ยนะพระนางเองก็ทำบุญมาตลอดแสนกับเนี่ยนะพะนันบุญของพระนางนั้นจึงติดตามมาให้ผลจึงเพียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยวัตถุสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหลายข้อ18บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จสู่พระคันของพระมารดาอ า, าพาธใดๆย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยแม่นี่สุขภาพดีเยี่ยมเหมือนกันพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมทรงสำราญพระองค์ไม่ลำบากพระกาย มารดาของพระโพธิสัตว์สา ม, มารถทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเสด็จอยู่ภายในพระครันมีอวัยวะนะ้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องนะมองเห็นลูกในท้องเลยแม่ก็สุขภาพดีเยี่ยมมองเห็นลูกในท้องนะเหมือนลูกแก้วอยู่ในทอ้องเหมือนอะไรดูก่อนพี่สูตทั้งหลายเปรียบเหมือนแก้วไพลทูลอันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์เป็นแก้วไพลทูลที่มีแปดมีแปดเหลี่ยม นายช่างเจรนายดีแล้วสุขแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้สีขาวสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดงสีนวลร้อยอยู่ภายในบุุษผู้มีจักสุพึงหยิบแก้วไพรทูนนี้นั้นน่ะวางไว้ในมือแล้วก็พิจารณาวันนี้แก้วไพรทูนที่งดงามเกิดเองอย่างบริสุทธ แปดเหลี่ยมนายช่างเจรไนดีแล้วสุกใสแหวววาวสมส่วนแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ภายในแก้วไพฑูนนั้นแม่ฉันใดดูก่อนพิสูจทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา อาพาธใดๆย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงสําราญไม่ลำบากพระกายและพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ผู้เสด็จอยู่ภายในพระคันมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเฉพาะพระโพธิสัตว์นะกับเฉพาะมารดาพระโพธิสัตว์ที่เห็น พระโอรสที่อยู่ในคันเนี่ยนะเห็นอยู่พระโอรสที่อยู่ในคันเหมือนอะไรเหมือนกับบอกว่าเอาแก้วแก้วแก้วแก้วมันีหรือแก้ ว, ก ว, กวไพลทูนเนี่ยนะมองเห็นได้ข้างในเช่นั้นอธิบายว่าเพิ่มเติ ม, มนะที่บอกว่ามารดาพระโพธิสัตว์เนี่ยตั้งแต่พระโพธิสัตว์อยู่ในคันเนี่ยไม่มีความลำบากอย่างอย่างใดเลยซึ่งปกติหญิงทั้งหลายอื่นเนี่ยนะก็ลำบากด้วยหนักคันใช่ไหม มือเท้าบวมเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีท้องเนี่ยมีปัญหามากทุกข์ร้อนมากลำบากมากแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยบทว่าติโรกุติขตังคือเสด็จอยู่ภายในพระคันบทว่าปัสสติอธิบายว่าพระมารดาของพระโพธิสัตว์ น, นั้นนะ หลังจากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยมีอวัยวะครบถ้วนในคันเนี่ยจริงๆแล้วในคันมันก็มีปฐมังกาลลังหูติตั้งแต่อะไรเป็นกัลละเป็นอภูธะเป็นเปสิเป็นกายจนเป็นปัญจาสาขาเค่ว่าพอมีอวัยวะครบองค์แห่งแห่ ง, แ ห, งแห่งกุมารเนี่ยนะแห่งเด็กเนี่ยนะตอนนั้นแหละตอนที่มีอินทรีย์สมบูรณ์บริบูรณ์เพียบพร้อมมองดูแล้วว่าเป็นเด็กน่ารักเลยแหละที่อยู่ในคัน อมารดาพระโพธิสัตว์มองเห็นเลยครเนี่ยตั้งกันนั้นมานะตั้งแต่พอคร่างกายตกแต่งบุญกรรมตกแต่งนะนะตกแต่งทเรื่องบุญที่ตกแต่งผมก็มาแต่งผมบุญที่แต่งเล็บก็มาแต่งเล็บบุญที่มาแต่งผิวหนังบุญที่ต่างๆมาตกแต่งเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะหลังจากบุญกรรมตกแต่งเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์เรียบร้อยแล้วตอนนั้นมารดาพระโพธิสัตว์จะมองเห็นพระโพธิสัตว์นะมองเห็นพระโพธิสัตว์เลยตอบว่า มารดาเห็นพระโพธิสัตว์เห็นทําเพื่ออะไรเห็น mm. ทําไมตอบว่าเพื่อจะได้อยูยอนนะ่อย่างสบายนะอย่างสบายหมายว่าใครอยู่สบายพระโพธิสัตว์จะได้อยู่สบายนะมีบุญกันอย่างนี้นะแล้วมันยังอยู่ในคันนี่ก็มีผู้ที่คอยดูแลห่วงใยเอาใจใส่ทุกอย่างอนะถ้าผู้ไม่มีบุญมาเกิดนี่แหมจะคลอดอะไรนะบนนําคานทุกวันทุกวันนั่นแหละนะเหมือนอย่างว่ามารดานั่งหรือนอน กับบุตรยกมือหรือเท้าของบุตรนั้นห้อยลงก็คิดว่าเราจะให้บุตรแข็งแรงมองดูบุตรเพื่อประโยชน์อยู่อย่างสบายฉันใดเวลาใคร ท, ที่อุ้มลูกเนี่ยสังเกตเห็นชัดใช่ไเวลาเราอุ้มลูกเนี่ยกลัวมากเลยนะเดี๋ยวมือลูกจะปวดเดี๋ยวมือลูกจะไม่สบายวางมือลูกถูกไหมอุ้มรัดขา ม, มากเกินไปไหมเป็นต้นเนี่ยจะค่อยๆอุ้มเวลาตัวเองจะนอนจะอะไรเป็นต้นก็ระวงังกลัวลูกจะลําบากถ้าหากว่ามองเห็นเนี่ยนะมองเห็นก็ดูแลไม่ยาก ไม่ลำบากฉันใดมารดาของพระโพธิสัตว์ก็ฉันนั้นคือพระนางเนี่ยถ้ากล่าวไปแล้วไม่มีโอกาสได้มานั่งเลี้ยงลูกแบบอย่างแบบแบบแม่ทั่วๆไปใช่ไหมพระนางก็รู้เลี้ยงอย่างดีตั้งแต่อยู่ในคันแล้วเนี่ยนะก็เลี้ยงดูปกปกัปกรักษาลูกที่อยู่ในคันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมารดาพระโพธิสัตว์คิดว่าความทุกข์เหล่าใดที่จะเกิดแก่เด็กในคันขณะที่มารดายืน หรือมารดาเดินมารดาเคลื่อนไหวนั่งเป็นต้นหรือมารดาที่ทุกข์ร้อนลําบากเพราะกลืนอาหารที่ร้อนเกินไปเย็นเกินไปขมเผ็ดเป็นต้นเนี่ยนะทุกเหล่าใดทุกเหล่านั้นจะมีแก่ลูกเราหรือไม่นอนะคอยเป็นห่วงไปหมดเลยนะนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะที่ที่ดูแลตรงนี้ไม่ดีแทงลูกเลยก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะพอถึงกับแทงลูกเลย เพราะอะไรเพราะว่าการดูแลบางคนเนี่ยขยับตัวเน็ดเหนื่อยเดินเกินไปนั่งเกินไปนอนเกินไปขยับตัวมากเกินไปตอนมีคันก็ไปวิ่งด้วยเป็นต้นเนี่ยลูกที่อยู่ในครันก็เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยอุปสรรคในที่สุดก็คลอดเออเรียกว่าแทงเลยนะแท้งก็มีหรือว่าถึงไม่แท้งก็นั่นแหละลูกก็แทบจะพิการตั้งหากการบริหารของแม่หรือบางทีเนี่ยนะแม่บางคนเนี่ยพอลูกอยู่ในคันนั้นนั้น แปลกนะแม่บางคนเนี่ยพอลูกอยู่ในครันเนี่ยนึกอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาเลยทันทีเริ่มติดบุหรี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แบบติดตั้งแต่มีลูกมั้งเริ่มมีลูกปั๊บเริ่มอยากสูบบุหรี่เลยแม่บางคนเนี่ยชอบดื่มสุราตั้งแต่ลูกมาเกิดในครันก่อนหน้านั้นไม่เคยมีความคิดว่าตัวเองจะต้องดื่มสุราเลยตั้งแต่ไม่รู้ว่ามีลูกคนนี้ปั๊บเริ่มอยากดื่มสุราขึ้นมาทุกที มันก็จะไปไหนลูกคนนั้นก็เริ่เมเมาตั้งแต่สายเลือดแลยนะแต่เมาตั้งแต่สายเลือดตั้งแต่บำรุงอยู่ในคันแล้วมาคลอดออกมาหลังจากนั้นเด็กพวกนั้นก็โดยมากก็เป็นพวกกลุ่มยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะในที่สุดก็ติดยาเสพติดมีปัญหาไปหมดเลยแล้วก็ภาพอย่างมันก็ทํากรรมมานะทํากรรมมาคือไอ้กรรมของลูกเนี่ยลูกอยากแม่อยากด้วยไหมอะยม่าอย่างเงี้ยถ้าลูกอยากสิ่งใดเนี่ยนะแม่จะอยากตามด้วยไหมเอ า, อางี้หนึ่ย สมมติว่าไปร้านอาหารเนี่ยถ้าลูกอยากทานอะไรเนี่ยแม่จะสั่งอาหารชิ้นนั้นไหมโดยมากก็ทําตามใจลูกอย่าลืมว่าอาการเกี่ยวข้องกันเลยนะอีกคนหนึ่งชอบอันนี้มันเป็นปัจจัยให้อีกคนหนึ่งชอบแบบนั้นตามไปด้วยนะก็อย่างแม่กับลูกถ้าแม่อย่างลูกมีอัธยาศัยอีกอย่างหนึ่งแม่ก็จะโอนอ่อนตามลูกนั่นมั น, ม, นมันเกี่ยวพันกันแต่ถ้าสําหรับผู้มีศิทธก็จะเกี่ยวพันกันเนี่ยคนดีมาเกิดก็ให้อีกคนหนึ่งดีไปด้วยนะอันนี้ พูดถึงว่าแม่บางคนนี่ก็เป็นฉันนั้นเนี่ยนะพอแม่บางคนเนี่ยพอมีลูกปั๊บเนี่ยเริ่มมีปัญหาเริ่มทุกร้อนเริ่มเหน็ดเหนื่อยมากเลยนะเมื่อก่อนไม่มีลูกไม่เคยเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยพอมีลูกแล้วก็เหนื่อยมากก็แสดงว่าลูกเนี่ยทำกรรมมาหนักสาหัสเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าแม่บางคนเนี่ยพอมีลูกสบายเลยก่อนหน้านั้นเหนื่อยมาตลอดพอลูกมาเกิดในครันชีวิตก็เริ่มดีขึ้นอย่างเดียวดีโดยส่วนเดียวดีวันดีคืนเหมือนั้นเถอะทำทุกอย่างประสบความสําเร็จหมด แ, แม่บางคนเนี่ยโอ้โหก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จมาหมดพอมีลูกก็เดือดร้อนทันทีเลยก็มีมันก็มีหลายเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเกี่ยวโยงเกี่ยวใยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในคันบางคนเนี่ยแม่มีความสุขมากแต่บางคนเนี่ยแม่เนี่ยเดือดร้อนเนี่ยนะพอมีคันก็ป่วยบ่อยมากเลยเนี่ยแม่ก็ป่วยถ้าแม่ป่วยบ่อยๆแล้วลูกจะเป็นยังไงอ่ะลูกแม่บางทีก็ป่วยมากเลยนะลูกก็เดือดร้อนตลอดเวลา อย่างเด็กบางคนเนี่ยนะที่พออยู่ในคันเนี่ยแม่ก็เดือดร้อนพอคลอดออกมาเนี่ยแม่เนี่ยแทบจะป่วยมาตลอดเลยแทบไม่ได้เลี้ยงดูเลยนะแต่พอเด็กคนนี้เกิดมาก็ก็ดูแล้วมันก็สมควรนะเพราะว่าเขาก็มีเจตนาเลวร้ายพอๆกับเขาก็คู่ควรแล้วที่จะได้รับวิบากเช่นนั้นแสดงว่าอดีตเขาก็ไม่ไม่ธรรมดามาเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหมูสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมทุกอย่างยุติธรรมหมด อายุติ Angst, ด้วยกรรมนะอายุติเป็นไปตามกรรมหมดแต่ว่าถามว่าน่าสงสารไหมบอกน่าสงสารเพราะว่าแนมะ้ความเกิดก็เป็นทุกข์ไงมันก็ทุกข์อย่างนี้แหละเจริญเติบโตมากกวา่าจะตายก็ทุกข์แท้ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็เกิดแก่เจ็บตา ย, ตายแล้วก็ทุกข์วนอยู่ people, อย่างนี้ไม่มีจบมีสิน้นเนี่ยนะมีอะไรมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละนั่นนะมีแต่ความเจ็บปวดแต่ความทุกข์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเนี่ย พอผ่านไปแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าไอตอนปวดมันก็ปวดจริงๆเนะแต่ว่าผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรเนะ